อย่างนี้ลวงตาก็ให้ฟังเพราะว่าหลวงปู่เป็นคนแผ่นดินคนเป็นพระในพระพุทธศาสนาเป็นพระของประสบนนกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านจะพร ะ, พ ร, ะราชทานมาเราก็รับถ้าท่านไม่พาดพระราชทานมาเราก็ไปชุมเพิงลักษณะอย่างงั้นถวายเพิงหลงหลวงปู่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 นะเราก็ไม่ได้พูดในรายละเอียดในจุดนี้นะพอมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะจากนั้นก็ทางสำนักพระราชรวังก็ท่านได้กับถวายพวงมาลาของพระบัทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าของพระเทพของพระชายมาถวายพวงมาลาก็มดพวงมาลาเสร็จแล้วก็เราก็คอยฟังยังไม่มีอะไรแล้วก็กราบ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 หลวงพ่อก็ประกาศจึงมีการประชุมเพิงองค์หลวงปู่ล่าเนี่ยนะหลวงพ่อก็ได้จัดการเต็มความสามารถเหมือนกันที่เข้าไปดูแลองค์หลวงปู่ของเราในคราวนั้นในครั้งนั้นเพราะนั้นในใจของหลวงพ่อเองที่งานพระราชทานงานประชุมเพิงของหลวงพ่อในในใจของหลวงพ่อเนะ่ยคือเนื่องพ่อ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 ที่หลว ง, งอาจะจากไปแต่หลวงพ่อก็ไปพักอยู่ที่กกเจพุงเพราะมันเหนื่อยมันไปธุระอะไรบนข่าวนั่นนะอไปก็ไปพัก <c oughs> ไปพักอยู่ที่วัดกกจเจ พ, พุงอําเภอพานานิคมออําเภอนิคมคําสร้อยห่างจากวัดหลวงปู่ประมาณยี่สบกว่ากิโลเองนะถนนลาดยางถ้าวิ่งมาก็ไม่ถึง 20, ประมาณยี่สิบนาทีนะ่ะ ถ, ถึงวัดหลวงปู่ล่ะ พอทราบข่าวกําลังฉันจังหันอยู่อท่านก็ทราบว่าเอาหลวงปู่ไปโรงพยาบาลมุกดาหารพอไปถึงครึ่งทางหลวงปู่ก็จากไปแล้วนะจากนั้นก็เลยเอาหลวงปู่กลับมา น, นี่แหละอก็วันที่สิบเก้าวันพุ่งนี้นะะหลวงปู่จากไปปี ก, กว่าออันนี้จะเข้าปีปีที่สองแล้วนะเพราะว่า